วิธีสลัดจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สง์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรเก่าเพลนนี้กระผมใช้ภิกษุผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักเป็นนิสกีกระผมสละดจีวรเพลนนี้แก่สงครั้นสลัแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัต เพิคืนจีวันที่เธอสลัดให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจีวันผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวันผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราดเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญจีวรเก่าเพลินนี้กระผมใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักเป็นนิสกีกระผมสละจีวรเก่าเพลินนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคารพจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพระเจ้าจีวรเก่าเพลนนี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลาย ถ้ะท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรเผื่นี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งหมอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับจีวรเก่าเผืน่นนี้กระผมใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผื่นี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วเคินจิวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมเคินจิวันเก่าคนนี้ให้แก่ท่าน